ที่สุดตั้งอยู่ในการปฏิบัติเพื่อจะรู้เป็นผู้สา ม, มารถอนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยถึงความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและฉลาดในอุบายเนี่ด้วยการบริจาคทายาธรรมโดยประมาณที่ยิ่งยิ่งและด้วยการให้อภัยให้พระสัธรรมนี้เป็นในแห่งการพิจารณาทานนะทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าก็จะเห็นเลยจะเห็นว่าการให้อภรรัยอภัยทานนี่แปลว่าอะไรนะเอา้ายอมนกอภรรัยทานแปลว่าอะไรถามว่า เราเดินทางไปเราเห็นหนทางมันอันตรายแล้วก็ลงไปเขียนป้ายแล้วก็ปักไว้บอกว่าอย่าเดินไปทางนี้อันตรายอันนี้เป็นอภัยยาทานไหมให้ความปลอดภัยนั่นเองให้ความปลอดภัยป้องกันอันตรายกับบุคคลอื่นนั้นกลับไปเห็นบ้านใครไม่มีรั้วก็ไปสร้างรั้วเขาอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ทําไมไม่ได้ละ่ะใช่ไหมก็สร้างความปลอดภัยให้เขาป้องกันภัยให้เขาแล้วก็ให้พระสัตว์ทำก็ให้โดยไม่วิปริต ถ้าพิจารณาศีลพิจารณายัางไงศีลนี่เป็นน้ําล้างมลทินคือโทสะใช่ไหมใครเป็นคนที่โกรธโกรธเก่งโกรธมากโกรธบ่อยเนี่ยมีไหมที่นั่งกันอยู่เนี่ยคนที่ชอบหงุดหงิดง่ายๆมีใครบ้างยกมือกันพรืมหมดทําไมทําไมจึงเป็นคนโกรธง่ายรู้ไหมเพราะกุศลศีลไม่แข็งแรงถามบอกว่าโทสะเนี่ยชําระได้ด้วยน้ําธรรมดาได้ไหมเอาน้าธรรมดามาชําระได้ไหม แต่น้ําคือศีชลชําระได้เพราะศีลเนนะี่ยตัวอัดตัวศีลเนนะี่ยให้สังเกตดูนะว่าเจตสิกศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลแล้วก็สังวรศีลอยู่ไหมอวิติกรมศีลมีสี่อย่างเจตนาศีลคือเจตนาจัดแจงธรรมชาติที่จัดแจงกระตุ้นเตือนชักนําสมบูญธรรมจัดแจงที่จะเป็นไปในการที่จะตั้งใจในการที่จะสมาทานศีลรักษาศีล น, นะจึงจะเรียกว่าเจตนาเป็นศีลเป็นต้น ฉ ieurs, tuning, infect, ันเจตนาตรงนั้นเป็นผ <Yes, S 2> ีชานิทานกิจเป็นตัวที่เป็นตัวกรรมไหมเป็นหรือไม่เป็นโยมมงคลเป็นกรรมที่จะผลิตวิบากในการต่อไปไหมจะให้ผลไหมให้ผลเจตนาที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเป็นศีลไหมเป็นไม่เป็นเจตนาที่เป็นไปกับความโลภเจตนาที่เป็นไปกับความโกรธเจตนาที่เป็นไปกับความหลงเป็นศีลไหมที่จริงถ้ากล่าวเป็นศีลก็ได้นะเขาเรียกอะกุศลศีล แต่ในที่นี้ไม่นํามากล่าวถ้ากล่าวไปตามคมภีร์ปฏิสัมพิธามากอย่างนี้ก็มีศีลในหมวดของคําว่าอากุศลศีลกุศลศีลอภิญญาคตศีลเนีย่ยนะแต่จริงๆไม่กล่าวอันนั้นเป็นโคศีลเป็นต้นเป็นการปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนทรก็เลยก็ว่าไปซึ่งเป็นอกุศลซึ่งไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นำมากล่าวในที่นี้ก็เลยตัดทิ้งไปแต่ศีลที่จะนํามากล่าวในที่นี้เป็นเจตนาศีลที่เป็นไปกับกุศล ก็แปลว่าเจตนาที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็บัญญายะมือแต่ขับเน้นตัวเจตนาฮนะเจตนาก็คือการจัดแจงจงใจตั้งใจในการที่จะทําให้ตนเองนั้นเนะ่ะเริ่มมีศีลนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถามว่าเราบอกว่าไอ้คาว่าสมาทานศีลเนี่ยเราก็บอกมมยังพันเดวีซุงวิซุงหลักกันี่รูปแบบกันเต็มเป็นแถวเป็นแนวหมดเราทําอย่างนี้บ่อยไหมถามว่าอย่างนี้ใช่ศีลไหม ถ้าเราจะไม่พูดคํานี้เลยเนี่ยแต่เรามีข้อมูลอย่างดีแล้วก็บอกว่าเราตั้งใจจะรับศีลเนี่ยมีคนสมมติถ้าเราไปหาพระเนี่ยพระท่านบอกว่าเออดิฉันจะหรือกระผมต้องการจะไปอยากการสมาดานศีลพระก็ถาม่ดีเบราะว่าคุณรู้จักไม่ใช่ศีลข้อแรกเขาเดินยังไงศีลคืออะไรถามก่อนเลยไหมรู้จักเจตนาศีลไหมไม่รู้อาเจตสิกศีลล่ะ เอาไม่ทราบเอายุ่งแล้วเนี้ยความไม่โลภเป็นศีลรู้ไหมเป็นยังไงไม่ทราบความไม่โกรธเป็นศีลรู้ไหมเป็นยังไงไม่ทราบปัญญาเป็นศีลรู้ไหมไม่ทราบสัมมาวจาเป็นศีลรู้ไหมไม่รู้สัมมากรรมตาสัมมาชีวะเป็นศีลเอาไม่รู้อีกอปาฏิโมกขังวรศีลเอาวงั้นนะไม่รู้ศรัทธาเป็นศีลรู้ไหมสติเป็นศีลรู้ไหมวิริยะเป็นศีลรู้ไหมขันติเป็นศีลปัญญาเป็นศีลน่นไม่รู้อยู่ความไม่ก้าวล่วงเป็นศีลก็ไม่ทราบแล้วอย่างนี้ศีลจะเดินได้ไหมได้ไม่ได้ ศีลเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมศีลเป็นนามธรรมศีลเกิดอยู่ที่ไหนใจเป็นนามธรรมไหมเออนั่นแหละสภาพของศีลเป็นนามธรรมเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมเนี่ยคนไม่รู้จกักศีลเนี่ยไม่รู้จะเดินศีลกันยังไงเลยทุกวันเนี่ยศีลไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่รูปแบบใส่ชุดขาวไปวัดแล้วก็พอพระพูดอะ ปานาติบาตอาทินาทานบอกปานาติบาตาเวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามีเรากับปานาติบาตาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามีไล่ไปตามลํ า, ด, าดับพอเสร็จสะเรียบร้อยก็ทำกิจกรรมของเราตามปกติแล้วข้อแท้จริงเป็นยังไงแต่เนี้ยแล้วมันตรงไหนคือศีลเน่ะอา้าวถามว่าชาวพุทธเป็นแบบนี้ไหมไอ้แล้วเป็นอย่างไงทาไงแต่เนี้ยก็ศีลมันไม่ใช่รูปแบบเมื่อกี้ก็บอกว่าไงฉะนั้นกรณีคําว่าศีลเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องจะต้องทําให้มันเกิดได้จริงๆริงใช่ไหม คือถ้ารับศีลไปแล้วก็ต้องทำให้กุศลศีลน่นะเดินจริงๆเหมือนพระเนี่ยถ้าบวชเสร็จสอบเรียบร้อยกลับมาใส่ฟอร์มใส่ชุดเรียบร้อยแล้วคนผมปงหนวดนุ่มขมผ้ากาสายะเบ็ดเสร็จแล้วแต่นี้ไม่รู้เลยศีลมันคืออะไรและจะทำยังไงเนี่ยทีนี้ยิ่งบอกว่า ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ไอ้นี่ก็ทําไม่ได้ก็ไม่นั่งอื่นอัดอยู่นั่นแหละแต่นี้ใช่ไหมนั่งอื่นอัดเมื่อไหร่เนอะจะครบหนึ่งเดือนครบกําหนดจะได้ศึกก็มีแค่นั้นในชีวิตนี่อะไรแลไรนี้พอหนักข้าวเนี่ยข้าวก็เริ่มดูคนอื่นเนี่จะเข้าทําอย่างนั้นก็ได้ก็ทํางนี้ก็ได้ในกระแสชีวิตจริงๆก็ไม่ต่างอะไรกันเลยแต่นี้ยก็เดินอยู่ในวงจรอย่างนั้นอันนี้ห้ามนะอันนี้ก็ห้ามนะอันนี้ไม่ได้ก็ติดอยู่กับรูปแบบอยู่างเงี้ยแต่การพัฒนาศีจริงงๆก็พัฒนาาไไไม่ด้้ทํ ก็ไม่ต่างอะไรกันอีกแต่เนี่ยเป็นกับดักที่แยบยนที่สุดนะอย่าลืมนะมันออกออกจากกับดักอันนี้ไม่ได้คือเราเดินไม่ได้จริงเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินตัวเจตนาศีลให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วจะทํายังไงชีวิตเนะถามว่าพวกเราติดปัญหากันนี้ไหมปัญหาชาวพุทธเนี่ยติดตรงนี้ไหมโยสวรรค์โอ้โตัวเราก่อนเนี่ยติดไหมติดอึดอัดไหมที่เราเดินไม่ได้จริงเอี่ยเราไม่ให้ศีลเกิดขึ้นได้จริงวะเอ๊ะ พูดอย่างนี้นะกุศลศีลเกิดทําอย่างนี้กุศลศีลเกิดคิดอย่างนี้กุศลศีลเกิดแล้วเมื่อกุศลศีลเกิดสภาพใจเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เกิดมันเป็นอย่างเนี้ยเราแยกได้ขนาดนั้นไหม <c oughs> ถ้ายัางแยกไม่ได้นี่คือปัญหาแล้วที่จะต้องมานั่งคุยกันแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้ามันเดินศีลได้จริงๆมันต้องพัฒนาสิกระแสชีวิตเนะี่ยเพราะศีลทำลายเป็นน้ําเนี่ยท่านบอกว่าพิจารณาศีลบอกว่าชื่อว่าศีลนี่เป็นน้ำล้างมวลทินคือโทสาเป็นต้นน่ย มันไม่อาจชําระด้วยน้ําทั้งหลายมีแม่น้ําคงคาเป็นต้นเน่ยเป็นการกําจัดอันตรายคือราคากําจัดอันตรายคือโทสะอันตรายคือโมหะอันไม่สามารถกําจัดด้วยจันท์เหลืองจันทรแดงจันรขาวเป็นต้นด้วยเอาสิศีลกําจัดได้เหมือนทานกุศลกําจัดโลภะโทสะโมหะได้ศีลกุศลก็กําจัดราคาโทสะโมหะเป็นนต้ได้ภาวนากุศลก็กําจัดราคาโทสะโมหะได้ทําทั้งสาประการนี้เกื้อหนุนกันอย่างไร เบื้องต้นเป็นทานพัฒนาจากทานก็สู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างไรเบื้องต้นเป็นศีลเบื้องพัฒนาจากศีลก็สู่สมาธิปัญญาอย่างไรจากภาว น, นาจากสมถภาวนาพัฒนาสู่วิปัสนาภาวนาจากวิปัสนาภาวน า, พ, า, นาพัฒนาสูรมรรคปัญญาผลปัญญาจนปัจจเวกปัญญาเป็นต้นยังไงเห็นไหมมันจะพัฒนาอย่างไรเนี่ยไอ้คนมันต้องมานั่งคุยกันเป็นให้เป็นแนวแห่งการไขขวนพิจารณาวิจัยนะถ้านั้นก็เดินไม่ได้ใช่ไหม จะทำไงเดี๋ยวนี้ยอ้าวว่าต่อไปดเดี๋ยวนี้ถามบอกว่าเครื่องประดับอย่างวิเศษต้องพิจารณาคุณของศีลของเนืของคนดีทั้งหลายไม่ทั่วไปในเครื่องประดับของชนส่วนอื่นมีสร้อยคอมองกุฎต่างหูเป็นต้นไม่มีใครเนี่ยเขาบอกว่าถามบอกว่าถ้าเรามองเนี่ว่าแล้วนังประดับตกแต่งใส่ต่างหูใส่เครื่องประดับทั้งหลายเหล่านี้ อันนี้ท่านในสายตาของคนดีทั้งหลายก็ไม่ใช่เครื่องป้องกันไม่ใช่เครื่องประดับที่ที่ที่สวยงามอย่างแท้จริงเพราะเครื่องประดับเหล่านี้ไม่หอมไปทุกทิศเหมือนเครื่องประดับคือศีลแล้วป้องกันไภัยไม่ได้จริงแล้วเดือดร้อนด้วยพวกใส่เครื่องประดับเดินไปห น, นที่ไหนใช่ไหมแต่เครื่องประดับคือกุศลศีลเนี่ยไม่เดือดร้อนในภพนี้และภพหน้าด้วยป้องกันไภัยได้ทุกทิศและสามารถกาหนด ทานที่ศีลกําหนดแล้วมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากด้วยสิหอมพุ้งไปทั่วทิศศีลเนี่ยนะโลกย่ศีลยังหอมขนาดนี้นะถ้าใครสามารถประชมกุศลศีลไปถึงชั้นโลกุตตระศีลเมื่อไรแล้วเทวดาก็ชมพรมก็สรรเสริญถ้าสามารถประชมกุศลศีลสี่ครั้งเป็นพระลรหันเนียเท้าสก่ายังลงมากับภรรยามาอุปถากเลยใช่ไหมเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยพานางสุชาดามาอุปถากมาล้างเท้าให้ ถามมาตั้งแต่เกิดมาเท้าสกา่าเคยล้างเท้าหไหม <c ười> เคยไหมเนี่ยอย่าว่าแต่เลยคิดถึงเรายังไม่อยากคิดเลยอย่ามาเพราะอะไรกินศีลไม่หอมจริงเพราะไม่สามารถประชุมกุศลศีลในโลกุตละธรรมได้ถ้าต้องการให้ถ้าต้องการให้ดีจริงๆนะถ้าสามารถพัฒนากุศลศีลชั้นกามวจรนี่เนะ่สู่ชั้นรูปาวจรรูรวาจรและโลกุตละได้เมื่อไหร่นะ โอโหกลิ่นศีลหอมทวนลมเลยเลยเนี้ยถามว่าตอนนี้กลิ่นศีลขงว่าของานาถาปินิกาเศรษฐีของนางวิสาขามหาวัสการยังหอมยินทุกวันนี้เนี่เห็นไหมไปที่ไหนเขาก็ชมแม่ใไปอยู่บนเทพบนเทวดาทั้งหลายใครก็ตื่นเต้นอยากจะเห็นเนี่ยใครก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปสนทนาไหนขอดูหน่อยที่านาถาปินิกาเนี่ยที่ศรัทธาปูพรมเนี่ยด้วยเงินสิบแปดกดเนี่ย ปูติดใช่ไมตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัสมพุทธเจ้ามาตามลําดับไหมเจ็ดพระองค์มีเศรษฐีเป็นทานาวดีประจําบริษัทของพระาศาสดาเป็นเลือดในในทานาวดีฝ่ายอุบาสกเนี่ยก็ล้วนปูทั้งนั้นใช่ไหมคนแรกก็ปูด้วยอิดทองคําคนที่สองก็ปูด้วยผานทองคําเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ต่อมาก็ได้ผานทองคำไหมวาสกประจําพระองค์เนี่ย แล้วก็ต่อมาก็ปูด้วยไม้เท้าทองคำแล้วก็ต่อมาก็ด้วยเต่าทองคำแล้วก็ด้วยไม้ด้วยด้วยอิฐทองคำสองครั้งนะแล้วต่อมาก็เนี่ยมาถึงอนาถปาิณิกะก็ใช้กระหาระนะนี่ปูเต็มพื้นที่บ ร, บริเวณองค์วิปัสสีสมาเสาวะเจ้าเป็นต้นหะนึ่งโยต์แต่องค์สุดท้ายก็แตกกรีดก็หมายความบอกว่าหนึ่งโยต์กับสิบกกิโลบริเวณวัดเชตวัน ปูหน้าที่ตรงนั้นแหละอาถามบอกว่าตอนโน้นที่ไปอ่ะไปอินเดียไปเหยียบแล้วก็เฉยๆใช่ไหมเพราะข้อมูลไม่มีใช่ไหมเอาถ้ามีข้อมูลอย่างเนี้ยโอ้โหปูกันมาเจ็ดพระ อ, องค์แล้วเนี่ยเมื่อถึงรุ่นเราเนี่ยใช้เงินปูเต็มพื้นที่เลยเนี่ยเหยียบเข้าไปทุกทุกย่างก้าวเนี่ยสัตว์ทินรียจะเกิดไหมกลับไปเหยียบใหม่ ก็จะเห็นทานบารมีของฐานนะบดีของของท่านเหล่านี้ที่ทำไว้ทำไมท่านทำอย่างนั้นท่านนึงยิ่งใหญ่มากไองไอแล้วยอมมงคลไปแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะ <c ười> นะคือไปแล้วมันเห็นภาพใช่ไหมมันเห็นเรื่องราวเห็นประวัติศาสตร์เห็นท่านที่ทำแล้วผลที่เกิดขึ้นด้วยเหตุ <c ười> ผลทำยังไงทำไมท่านท่านกล้าทำอย่างนั้น ไม่ใช่ท่านเพิงกล้าปัจจุบันนี้ด้วยในอะดีตท่านทําอะไรมาก็ชักอดีตให้เห็นเลยเพะวบมาตามลาดับเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอนาณาถาปินทิกาเศรษฐีถ้าใครก็อยากถ้าตอนนี้นะท่านอยู่บนชั้นดุสิตเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยใครก็ต้องไปคุยกับท่านบอกถามหน่อยว่าใจทำไมขนาดนั้นใช่ไหมโอ้โหแล้วแล้วเป็นยังไงช่วยบอกท่านอนกะุศลของท่านให้เราฟังหน่อย วันนี้ท่านก็ต้องเทศใหญ่เลยเนี่ยบรรยายใหญ่ดีไหมบรรยายผลกรรมของท่านบรรยายกุศลกรรมที่ท่านทํา็น่าตื่นเต้นทําไมท่านท่านมีความงามขนาดนี้บริษัทของท่านก็งดงามบริวารของท่านก็งดงามยศทรัพย์สมบัติก็มโหฬารขนาดนี้ท่านก็ต้องเล่าเพราะตอนที่ท่านอุบัติเกิดขึ้นท่านลืมสติเลยนะบอกโอ้โหทําไมยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่เราทํากรรมอะไรมานี่ คิดย้อนอดีตอมไม่ได้ต้องรีบไปรายงานพระบรมศาสดาบูชาพระธรรมแล้วก็ระลึกถึงคุณของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นดีกว่าเดี๋ยวเราเกิดหลงลืมแบงนั้นรีบไปก่อนไปเฝ้าพระเจ้าแย้กลับมาชื่นชมสมบัติเราท่านก็รีบไปที่เชตวันสว่างทั่วเชตวันเลยนะไปเฝ้าพระศาสดาตอนใกล้ลุ่ง ไปเบสเซตก็รายงานขอบูารสเสริญคุณของพระศ า, าสดาพระธรรมแล้วก็บอกในบรรดาภาษาวกนี้บุคคลผู้มีปัญญามากไม่มีใครเกินภาษาลิบุตรนะ ว, นนนะว่ากันน่ยว่ากับภาษาลิบุตรเป็นผู้เลือทางด้านปัญญาไล่ไปตามระดับเบสเซต์ก็กราบพระบรมศาสดาก็กลับเลยรีบไปรีบไปเสวยสมบัติของตนเองที่พยตสมบัติบนชั้นดุสิตพระบรมศาสดาก็อาศัยเหตุนั้นก็ประชุมสงฆ์ถามว่าเมื่อเมื่อคืนเนี่ยตอนตอน ใกล้ลุ่งเนี่ยแสงสว่างทั่วเชตวันท่านทั้งหลายเห็นไหมบอกเห็นกันหมดเลยก็เลยถามอมป็นพ่ออะไรใช่ไหมพระศาสดานั่นเจ้าของวัดมาเจ้าของวัดเชตวันมาเลยมาชื่นชมมาลามงท่าน ง, งดงามมากเป็นที่อยู่เป็นอารามนิยสถานของอริยสงฆ์สงมาจากจตุรทิศเนี่ยจตุรทิศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษารีบุตรพระโมคคานาเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมพระ อาศิตมหาสาวกมหาสาวกปกติสาวกบาโสบาศิกาทั้งหลายต่างก็มาได้บรรลุธรรมนสถานที่ของตอนเองใช้เงินใช้ทองปูเนี่ยเต็มพื้นที่ไม่เคยเสียดายเลยเนี่ยแม้เป็นอุปการล่าแก่ทำให้คนได้บรรลุมากผลแล้วก็วัดปุภาลามก็วัดเชตวันนี่ผลิตอริยบุคคลเกิดมากที่สุดใช่ไมก็ในประชากรเจ็ดสิบล้านนี่ได้บรรลุเป็นพระอาริยสห้าสิบล้านลองคิดดูเอะในสาวถีอะ เห็นไหมนะ่ะล้วนแต่ได้ฟังทำพระศาสดาประทับอยู่ตั้งยี่สิบห้าภาษาเรื่องคิดดูทีน่าชื่นใจไหมน่าชื่นใจเป็นพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนพระไตรปิฎกก็อยู่ณที่นั่นแหละแล้วก็พระเดียสงก็อยู่ณที่นั่นไตรสารณคมก็ครบเลยใช่ไหมบริษัท สภิกษุภิกษุณีบาสกบาศิกาอยู่ในแดนไกลทั้งหลายที่ไม่รู้จักวัดเชตวันไม่มีเลยต่างก็ลังไหลมานะที่แห่งนั้นเพื่อฟังธรรมได้บรรลุ ก, กันม่นับไม่ได้อันนี้เฉพาะมนุษย์ในเชตะวันยังบรรลุขนาดนั้นเนะอยู่สิบเก้าบวกกับปุพาลามอีกหกเป็นยี่บห้าก็ในเขตใกล้กันนั่นเองเพราะพระเจ้าใช้สองสถานะสองสถานะเหมือน กลางคืนยัรับอารณ์อยู่หนะ้าที่นี้แล้วตอนกลางวันก็ไปหลีกเล่นที่ปุพารามานี้เป็นต้นก็ก็เดินกลับไปกลับมาตลอดเพื่ออนุคอสองตระกูลแต่ถ้าพูดถึงจำภรษาดูจะมากจริงแต่ปุพารามก็ไม่ใช่น้อยอริยะเกิดก็ไม่ใช่น้อยเลยนี่อันนี้ก็ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้ถ้าเรามองภาพเห็นเนี่ยนะถ้าเราชัดเจนในคําสอนเราจะมองเห็นภาพเด่นชัดในใจหมด <c oughs> คือถ้าถ้าเรามองเห็นในลักษณะอย่างนี้นเราจะเห็นว่าฉะนั้นกรณีที่ท่านท่านได้กระทำขนาดนั้นถ้าเราไปนี่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นไปที่ปุพาลามเนี่ยหลายคนเสถเทือนใจเพราะเหลือแต่เสาเล็กๆ เ, เนี่ยนะ และแต่เนินดินเล็กๆนิดอย่างเงี้ยนะแม้แต่สาวโศกเองเนี่ยบรรดาฮินดูทั้งหลายก็เข้ามาทําเป็นเซลล์ลึงเสี้ยงเงี้ยนะพยายามดัดแปลงนะดัดแปลงทําเซลล์ลึงเนี่ยหลายคนก็ไปเห็นสะหล่อใจบอกว่ า, วานี่หรือปราศาสตรของนางวิสาขาสองชั้นชั้นละห้าร้อยพิสูจ์สงสามารถอยู่จํำภาษากันได้เป็นพันเป็นพันพันเนี่ยนะปัจจุบันนี้โหสังขารไม่เที่ยงจริงๆริงเนี่ย่ไงความแปลเปลี่ยนของสังขารธรรม ดูแข็งแรงเหลือเกินที่พระาศาสดาตรัสถามบอกว่าถามว่าในที่แสดงในคณะกาโมกขลานาสูตรที่คณะกามโมโมคขลานาพราหมถามพระาศาสดาบอกว่าคําสอนของพระบรมศาสดามีการสอนมีการในาศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยมีการมีการสอนไปตามลําดับไหมมีการกระทําไปตามลําดับไหมมีการปฏิบัติตามลําดับไหมมีการบรรลุตามลําดับไหม ถามว่ามีการกระทําอะไรเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระบบตามลําดับไหมตามเหตุตามผลไหมบอกว่าว่าเหมือนปราสาทของนางวิสาขาภาษาสดาก็บอกว่ามีการกระทําไปตามลําดับมีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทําและมีการปฏิบัติมีการบรรลุตามลําดับว่าไงก็เหมือนการสร้างปราสาทของนางวิสาขาที่ให้พระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นเรือนพันเป็นต้นหนึ่งก็ต้องมีการวางแผนก่อนศึกษาพื้นที่ก่อนแล้วก็มีการวางแปนวางโครงสร้างเป็นไปตามลําดับ เริ่มตั้งแต่จากลงเสาเข็มเป็นต้นไปตามลาดับจนถึงยอดแถวแม้ชั้นใดในศาสนาของพระชินเจา้าของพระธรรมคตก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือพระพุทธเจ้าก็บอกคําสอนไปตามดับเมื่อได้สาเมื่อได้ภิกษุภิกษุณีุบาโุบาสิกาผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมาแล้วมีคนศรัทธานะพระศาสดาก็ให้ตั้งมั่นในปฏิโมกสังวรศีลก็ให้ไข้คนในปฏิโมกสังวรศีนเดินกุศลศีลให้ชํานาญ พอชำนาญเปียเศจพระองค์ก็สอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้พัฒนาสู่อินทรีย์สังวรจากอินทรีย์สังวรก็พัฒนาสู่อาชีวรประดิษฐ์ที่ศีลปัจจะญาสนิสิตาศีลไล่ไปตามลําดับแล้วก็ไล่สู่ความสันโดษไล่ถึงความทุดงคุณเป็นต้นไปตามลําดับแล้วก็เป็นไปในลักษณะการเจริญ สติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดไล่ไปตามลำดับจนถึงปฐมฌานตัวติฌานเป็นต้นแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณไปตามลำดับจนถึงบรรลุพุทเจ้าก็ไล่ไปตามลําดับเป็นนะื้ศึกษาเดยลําดับกระทาตามลําดับปฏิบัติตามลําดับแล้วก็ได้บรรลุปไปตามลําดับแม้ฉันพระเจ้าก็ไล่ไปตามลําดับคณะกาโมคะานณะฟังแล้วตื่นเต้นบอกโอ้โหพระศาสดาบอกละเอียดออขนาดนี้หรือในคําสอนว่างั้นนะว่าทำไมละเอียด อ, อขนาดนี้เราว่างั้นนะ เอย่างนี้คนที่เข้ามาในาศาสนาของพระชินเจ้าก็ไป็รูปหมดสิใช่ไหมเพราะบอกละเอียดลออขนาดนี้ยพระศาสาศดาก็บอกคณกะโมคลานะเธอเป็นคนชํานาญในการบอกเส้นทางใช่ไหมบอกใช่ ข, ข้าพระ อ, องค์ก็ชํานาญมากในการบอกเส้นทางเนี่นะเช่นจะบอกเส้นทางจากนี้ไปกรุงราชคลืค่อ่ะโหชํานาญมากเลยออกจากเดินทางจากเมืองนี้สู่เมืองโน้นจากเมืองโน้นสู่เมืองโน้นข้ามเขากี่ลูกผ่านสระน้ำํำไปเสร็จเข้าสู่กรุงราชคลื่นบอกชํานาญมาก ถามว่าที่เธอบอกทุกคนเนี่ยเดินไปถูกทางทุกคนบอกไม่บางคนก็หลงทางใช่ไหมเอาบางคนก็หลงจริงนะต้องบอกละเอียดเราออดีขนาดไหนก็แล้วแต่นี้ส่วนจริงคนถามคนถามทางก็หลงใช่ไหมฉันใดพระาศราสดาก็อย่างนั้นเหมือนกันพระาศราสดาเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านี่นะบางคนบางคนก็จับทางผิดหลงทางเออก็เคยไปมาแล้วไง ถ้าถ้าถ้าถ้ามองถ้ามองในลักษณะนี้จะเห็นว่าถึงในเพราว่าคณากาวโมคราณาเป็นคนบอกทางพุทธเจ้าก็บอกเนร น, น้องว่าก็ขนาดพระองค์บอกทางละเอียดละออยอย่างนี้แต่ก็มีคนจับทางผิดนะใช่ไหมก็จับทางผิดก็พ่ไปเดินแล้วนะทุกวันนี้ทําไมเราจึงเห็นคนเดินผิดกันเป็นแถวเป็นแถวถามว่าพระพุทธเจ้าจะไปไปขัดเครื่องอย่างนั้นเวทีพระพุทธเจ้าลาได้หมดเลยยัง แต่นั่นแหละบ่งบอกว่าการศึกษาคําสอนเนี่ยหนึ่งต้งบอกว่าเหมือนทุกวันเนี้ยเหมือนเรามานั่งทมานั่งนั่งคุยกันมานั่งคุยบอกว่าเส้นทางเดินตอนนี้นะตอนนี้กําลังมากําหนดว่าชีวิตถ้าเราคิดว่าตอนนี้เรากําลังหลงทางจริงๆเลยเราเราคือคนหลงทางจริงๆถ้าคิดอย่างนี้นะเนี้ยวันนี้เรามานั่งกันอย่างเนี้ย แปลว่านี่ที่ผ่านมาเดินผิดพลาดมาอย่างยาวไกลแล้วจริงไหมต้องยอมรับก่อนว่าเราคือผู้หลงทางก่อนเนี่ถ้ายังไม่ยอมรับตัวเองว่าหลงทางนี่เนะยมันจะไม่ตั้งใจฟังเท่าไหร่จริงไหมโยมมงคลถ้ายอมรับว่าเออเราเนี่ยคือผู้ที่จะเดินทางไกลแต่เราเดินออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะเราหลงทางทีนี้มาวันนี้ว่า ง, งั้นเรามานั่งคุยเอาข้อมูลพระเจ้ามามาม า, ม า, ม า, มาเปิดเผยใหม่ แต่ก่อนเราคงรีบใจร้อนไปหรือกระลายอยู่หรือการเรียนไม่ดีศึกษาไม่ดีนะนะทีนี้พอพออย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าเอา้าแต่นี้ก็จับประเด็นให้ได้ฟังใหม่ใช่ไหมผ่านมาเป็นบทเรียนแล้วต่อไปจะไม่ลุ่มหลงจะไม่มัวเมาอีกแล้วต่อไปจะเดินแบบคนตั้งใจเดินและจะกลางแผนที่ในการเดินเพราะเราจะเดินก็เหมือนเป็นลายแทงตัวเนี้นะ จะไม่ให้ผิดพลาดอีกแล้ววังนั้นการตั้งเจตนาอย่างนี้สำคัญมากงั้นพอตั้งเจตนาอย่างนี้ทุกคนจะโอ้โหเหมือนกันที่บอกว่าพระถือการบินทบาตเป็นวัดนั่นคือการแสวงหาปัญญาในศาสนาของพระจินนาเจา้าเพราะอุปมาอย่างนี้อามาเคคุยกับพระพระพระก็บอกเอ๊ะขนาดอุปมาอย่างนี้โยมก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าอามาก็ถามีท่านเขาไม่เข้าใจหรอก ยมเคยเข้าใจได้ไงเพราะเขาไม่เคยเป็นพระหนึ่งเขาไม่เคยอุ้มบาตรใช่ไหมหรือบางองค์อุ้มบาตรก็ไม่เข้าใจเพราะไม่สังเกตถ้าเราบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพระนี่เ็าหิวพระนี่เก็บอาหารไม่ได้มีสันนิธิเป็นอบัตใช่ไหมต้องสละทิ้งหมดนะแต่ละวันแต่ละวันของกินของใช้ทั้งหลายเนี่ยพระต้องสละทิ้งหมดนะ เว้นไว้แต่อ่มีโยมอยู่ก็สละให้โยมหมด น, น, นะของนั้นเนี่ยของที่งข้างคืนแหลมคืนทั้งหลายเหล่านี้ต้องสละทิ้งพ้าต้องหาใหม่วันต่อวันเหมือนนกอ่ะนกก็เก็บอาหารไม่ได้ไม่ชั้นใดใช่ไหมพระก็อย่างนั้นนั่นแหละตื่นขึ้นมาหิวอ่ะฉะนั้นการสแสวงหาอาหารเนี่ยถึงบอกว่าจะเป็นคนแก่คนเด็กคนสกโปกคนสะอาดก็ไม่ได้สําคัญตรงนั้นแล้วสําคัญว่ามีอาหารให้มา เพื่อจะเยียวยาเลี้ยงอัตภาพเพื่อจะยังกุศลธรรมเป็นต้นให้ดําเนินไปเพราะเป็นปัจจัยในการปฏิบัติแม้ชั้นใดใช่ไหมฉะนั้นอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักสําคัญแต่ละวันแต่ละมือ้อไม่รังเกียจผู้ให้น้อมที่จะรับทุกสถานะแม้ชั้นใดถ้าใครให้คําสอนของภาษาสดาได้ไปเหอะให้ถูกอะ่ะน้อมไปเลย ให้กระหายเลยใช้คำว่าน้อมน้อมที่จะรับเอาข้อมูลตรงนั้นเพราะอันนี้แหละจะเป็นจะเป็นข้อมูลแก่การเดินทางไกลโยมจะเป็นข้อมูลแก่การเดินทางไกลจริงๆเราคือคนหลงทางใช่ไหมแต่คนหลายๆหลายๆท่านไม่เคยคิดว่าตนเองกำลังหลงทางดิิถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดินผิดมานานไหมในสังสารวัฏเนี่ย เราเคลื่อนพลผิดเรายกพลผิดเราเดินทางผิดเราเข้าใจผิดมาตลอดถ้าเข้าใจถูกเราก็ต้องเป็นโสมดาบันอย่างต่ํำนะอันนี้บ่งบอกชัดเลยว่าเข้าใจผิดใช่ไหมะฉะนั้นเมื่อเข้าใจผิดอย่างเนี้จึงต้องเดินเดินทางใหม่จะถามบอกว่าไอา จ, จะเดินทางเนี่ยต้องมีข้อมูลไหมเดยเนี้ต้องมีข้อมูลทีนี้เริ่มจากทานกนะุศลเนี่ยอ๋อ อย่างคารวาทั้งหลายเริ่มจากทานกุศลตอนนี้เดินเข้าสู่ศีลกุศลอันนี้พูดถึงเรื่องการพิจารณาว่าทานสําคัญก่อนอันนี้ก็พิจารณาศีลสาคัญบอกฝีศีลเนี่ยหอมฟุ้งไปทุกทิศมีกลิ่นหอมและเหมาะสมทุกการแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่ามีอํานาจอย่างยิ่งเพราะนำมาซึ่งคุณนะก็หมายความบอกว่าการได้เป็นมนุษย์ได้เป็น จักระพัดสมบัติเทวสักกะสมบัติมาและสมบัติพรหมสมบัติสาวกบารมาีญาณปเจกับโพธิญาณสัมมาสัมโพธิญาณถามว่าถ้าไม่มีศีลได้ไหมเห็นไหมศีม ล, ลมีอำนาจทานกุศลศีลกุศลเนี่ยมีอำนาจทําให้เราได้สมบัติตามที่เราปรารถนาสรุปก็คือว่าตอนเนี้ยถ้าเรามองว่าถ้าเราเห็นมนุษย์ปุ๊บเราคิดยังไง ใช่ไหมเข้ามาได้ด้วยทา น, นกุศลศีลกุศล น, นเนี่ยอันนี้เป็นผลแต่มาจากอดีตทีนี้ถ้าเราดูปัจจุบันที่เขากาลังปฏิบัติอยู่ถ้าเขาเดินกุศลแลศีลไม่เป็นทานกุศลศีลกุศลไม่เป็นอันนี้เรารู้ทันทีว่าเขาสร้างเหตุปัจจุบันผิดพลาดเขาจะไม่ได้อัถภาพฐานะ น, นี้อีกต่อไปแล้วก็หันไปย้อนดูตัวเราเอง ถ้าเราปฏิบัติในทานกุศลศีลกุศลไม่เป็นเลยไม่สามารถเดินได้จริงเลยในชีวิตความเป็นมนุษย์และเทวดาของเราก็จบลงเราก็จะไม่ได้โอกาสเพราะไม่มีอํานาจไม่มีอํานาจเงินและทองใดๆที่ไปต่อรองความสถานะความเป็นมนุษย์และเทวดานะแต่ทานกุศลศีลกุศลต่างหากที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่ทําให้เราได้อํานาจในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระ อรหันหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นถ้ามองอย่างนี้เห็นไหมว่าภาษาสดาภิกษุทั้งหลายความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสําเร็จเพราะศีลบริสุทธิ์ก็แปลว่าอะไรคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยตั้งใจอะไรแล้วสําเร็จเอาเลยสิตัวเนี้ยถามว่าสัมมาสัมพุิธญาณเนี่ยไม่ใช่ตั้งใจการตั้งใจอ ย, อยู่บนฐานของความรู้ศีลนะเนี่ยนะถ้าไม่มีศีล อธิษฐานยจนปากฉีกถึงหูก็ไม่ได้ไปอ้อนว อ, อนสิเช่นไม่ไม่มีศีลเลยก็ไปก็ไปบนบานสารกล่าวไปไม่ได้จริงๆไม่ได้เพราะคนมีศีลบริสุทธิ์เท่านั้นอธิษฐานอะไรได้อธิษฐานอะไรก็ได้เข้าใจยังทานที่ศีลกําหนดถึงจะมีผลมากมีในสงมากถามว่าให้ทานเนี่ยอย่างดีก็มีทรัพย์ใช่ไหม แต่ถ้าทุ่ศีลขึ้นมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่มีทรพัพย์อะอย่างดีก็เป็นได้แค่พยานนาคแต่มีเมืองด้วยนะแต่เป็นอหตุกษาาัตริย์เอาไหมเป็นพยานนาคด้วยเป็นเจ้าปกครองในบาดาลด้วยแต่เป็นอบายศาัตร์เป็นอเหตุก า, า์ปฏิสนธิบรลุธรรไม่ได้แต่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพด้วยเพราะให้ทานมาดีมีบริวารก็เยอะ ปกครองพน่นาคได้เยอะเลยแต่เอาไหมเอาไปไปเป็นลิงก็ได้แต่เป็นหัวหน้าเลยแต่มีคนดูแลอย่างดีทรัพย์สินเงินทองเยอะไปเป็นหมีแพนด้าก็ได้ <c oughs> น่ารักมีแต่คนดูเ <c oughs> นี่ยห็นไหมว่าทานกุศลเนี่ยคือทานกุศลแต่ไม่มีศีลกำกับ จึงไม่มีผลมากจึงไม่มีอา น, นิสงส์งมากมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่าทานอย่างเดียวไม่พอไงทานอย่างเดียวไม่พอต้องมีศีลกำกับแต่จะพัฒนาพัฒนาทานสู่ศีลเนี่ยนะก็คือพัฒนาจากการการให้ฉั้นคนที่ให้เป็นอัธยาศัยใช่ไหมกล้าสละให้ทั้งวัตถุภายในและภายนอกจนเป็นอัธยาศัยน่ะเข้าให้มันให้ชีวิตคนได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตคนได้ ใช่ไมหนึ่งชีวิตที่เราให้ไปเนี่ยมันกระทบนักเข้านักเข้าทุกชีวิตในโลกใบนี้ตลอดถึงหาประมาณไม่ได้เราให้หมดผู้มีผู้ให้อายุผู้ให้ชีวิตใช่ไหมมีส่วนของความเป็นผู้มีอายุยืนเราให้การไม่เบียดเบียนให้การไม่ประทุสลายเราไม่โกรธเราไม่โกรธและเราก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินของเขามันจะรวมไปอีกข้อต่างๆเยอะเลยให้ความปลอดภัยในชีวิตขอให้เขามีชีวิตยืนยาว เนี่ยการเจริญเสียยังยังมาพูดหลายครั้งนะว่ามันเป็นหลักปฏิบัติจากทานเหมือนกันเมื่อพิจารณาเห็นอะไรเราน้อมสละน้อมสละน้อมสละนี่คือหลักปฏิบัติเลยนะเออคือเป็นหลักปฏิบัติเลยที่ถ้าหากว่ามาพิจารณาในกรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าในกรณีที่เราให้เนี่ยนะเรามาพิจารณาในกรณีอย่างการให้เนี่ย ข้อปฏิบัติถ้าในข้อปฏิบัติเนี่ยถามบอกว่าให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องรูปร้ายที่นอนที่อาศัยประทีบบรรดาวัตถุมีค้าเป็นต้นท่านก็จําแนกนะโดยเป็นของเคี้ยวของบริโภคแล้วก็วัตถุทั้งหลายก็แยกเป็นหอย่างมีรูปมีเสียกินรสสัมผัสเป็นตัวอลไรเนี้ยเมื่อจะให้วัตถุภายนอกก็ให้วัตถุที่ตามเขาต้องการใช่ไหม บรรพชิต ก, ก, ก็ให้ของควรแก่บรรพชีตบรรชีตครือหัดก็ให้ของควรแก่บรรเครือหัดในขณะให้ก็ไม่เบียดเบียนเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะทีนี้ในลักษณะของการให้ถ้าหลักปฏิบัตินี่นะถามว่าในขณะที่ให้ถามบอกว่าครือหัดขอก็ให้ของสมควรแก่ครือหัดบรรพชิตขอก็ ก็ให้ของให้ของสมควรแก่บรรพิติอะบรรพิติเขาขอกันยังไงโทรศัพท์ยมขออาหารหน่อยงนี้ได้ไหมอะบรรพิติเขาขอแบบไหนขอแบบบรรพิติเขาขอไงอ่ะยอมรู้ไหมบรรพิติเวลาก็ขอของไงเขียนป้ายเรียกอะไรก็ขอไงอ่ะสมมุติแต่เราจะอยู่ที่เราเขียนป้ายบอกเชิญร่วมอย่างนี้ได้ไหม จริงๆได้ไหมพระได้ไหมไม่ได้นะอย่างนี้นะนพระเนี่ยเวลาขอเนี่ยเขาจะขอตอนเดินบินบาตฉะนั้นการขออย่างพระอริยะคือการขอแบบไม่พูดการที่ท่านไปยืนนิ่งๆเน่ยงั่นคือการขออย่างพระอริยะนั่นเป็นวงของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองเป็นอริยะวงวงของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าที่ตอนที่พระเจ้าสุโธธนะจําได้ไหม ตอนที่ตอนที่พระบรมศาสดาสเสด็จที่กรุงบินกบิลพัทเนี่ยประทับที่คนิโคทาลามพอ ร, รุ่งเช้าขึ้นมาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เดินไปกลางถน น, นพอโหย้ยชาวบ้านแตกตื่นกันหมดพระเจ้าสุโธทนะอยู่ไม่ได้ลงจากประสาทราชวังมาลูกทำไมทำให้หน้าอ า, ายกลายหน้าอย่างนี้ใช่ไหมที่บอกว่าตระ ก, กูลของเราอะ วงของเราไม่เคยทําเรื่องหน้าอับอายและขอเขาเหยื่อนี้พระบรมศาสดาบอกว่านี่เป็นวงของพระพุทธเจ้าเนี่ยการขอแบบเนี้ยการขออย่างอริยะวงการขอแบบไม่พูดอย่างเนี้ยอันนี้ตถาคตทําตามวงของพระองค์ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วถ้าทํามองนี้จะเห็นเนี่ยนี่คืออริยะวงเนะ อริยวงเออวา่ามื่อท่านถือบาทมาหรือเปล่าอ้อก็ข้าวไงก็อาหารนั่ น, อนเองท่านได้อาหารเสร็จก็กลับแล้วเนะี่ยแต่เราต้องให้ของที่ควรนะเป็นกัปปิยากนะันท่านจะไปให้ของที่ไม่ควรนะที่นี่ในหลักในลักษณะนะั้นบอกว่า ในการให้เนี่ยนะบอกว่าในการให้ไม่ให้ทานโดยใช้วาจาหยาบแล้วก็ไม่ให้โดยหน้านิ้วคิ้วขมวดถามว่าในขณะที่เราให้ทานเนี่ยตอนนั้นคำพูดเรายังไงวาจาหยาบไหมแล้วต้องไม่หน้านิ้วคิ้วขมวดให้ก็พูดน่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณโลมาโลภามากมีในทายธรรมใด ย่อมความยังเพราะความพอใจยิ่งก็ดีเพราะสะสมมานานก็ดีเพราะความโลภตามสภาพก็ดีบุคคลที่บำเพ็ญทานบา ร, รมีมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นก็บันเทาความโลภนั้นโดยเร็วเอาเงี้ยสิทธเนี่ยสมมตินะเอางี้โลภะมีมากในไทไธรรมใดถ้าวัตถุชิ้นใดเป็นที่ตั้งของโลภามาก เป็นที่ตั้งของโลภมากพอใจยิ่งดีมากสะสมมานานด้วยใช่ไหมเพราะโลภะโลภะมันเกิดตามสภาพตามยินดีในอารมณ์มันอยู่แล้วเพราะธรรมชาติของโลภะมีความยึดติดข้องในอารมณ์อยู่แล้วไม่อยากสละไม่อยากปล่อยไม่อยากวางในอารมณ์นั้นอยู่ใช่ไหมก็ทําลายทันทีฉะนั้นกลับไปบ้านก็ดีแล้ว อ, อยู่ณที่นี้ก็ดีนะี่นะถ้าเรารู้วัตถุชิ้นใดเปนที่ตั้งความโลภมากก็ทําลายมันเสีย ทำลายทันทีเลยทำลายอะไรอ่ะทำลายวัตถุหรือทำลายโลภะเออทำลายโลภะทำยังไงถึงจะทำลายโลภะได้เนี่ยไหมพิจารณาพิจารณาโลภะมันให้โทษไหมโลภะนี่เป็นโลเป็นความกรหน่ดเป็นความยินดีเนี่ยของที่มีอยู่ในตัวเนี่ยเอาถวายพุทธาดได้ไหมเราไม่เข้าใจนะเราไม่เข้าใจถวาย เอางี้เวลาไปทําแล้วใครใครใครเคยทําว่าส่วนมนเนี่ยทําทุกวันเลยใช่ไหมลองท่องคําว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตตรงนี้ได้ท่องทุกวันไหมอาท่องบารีว่างไงยอมพบารีบารีว่างไงมอบกายถวายชีวิตเนี่ยว่างไงที่จาไม่ได้อีกเอาว่างไงเครจําจได้เนี่ย ว่าไงนะข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าว่าไงบลีว่าไ ง, าไงพุทธาสาหัสสมีทาโสใช่ไหมว่าไ ง, ไองเอาว่าไปตามดับอีกทีไล่ไปตามดับว่าไปว่าไปให้จบประโยคแล้วว่าไปอีกทียังไม่ถึงยังไม่ถึงเออว่าไป นั่นไงเนี่ยนะ ข, ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นนาย ม, มีอิสระเหนือข้าพเจ้าแล้วกายและชีวิตเนี่ยนะชีวิตคืออัตภาพและร่างกายทั้งหลายทําไมกล้าถวายไอ้วัตถุที่แขวนห้อยติดหูติดคอนิดหน่อยไม่ได้กลา้าเพราะอะไร เอเพาออะไรดีเออไปคิดใหม่ที่ยุ่นพ่ออะไรใช่ไหมเออพาออะไรดีก็โลภะมันอาศัยวัตถุชิ้นใดเกิดก็ก็ทำลายโลภะเสียการทำลายที่ดีที่สุดก็คือยกถวายพระาศาสดานั่นแหละยกถวายเลยเมื่อยกถวายพระาศาสดาแล้วเวลาจะเอามาใช้ในฐานะเป็นลูกเนี่ย ก็ใช้อย่างระมัดระวังว่าไม่ใช่ของเรามันของพ่อคิดได้ไหมมันเป็นของพ่ อ, ดด ข, อ, พอของพระพุทธเจ้าแต่น้อมเอามาใช้เพื่อความจําเป็นในการที่จะอยู่ในสังคมโลกแต่จักไม่ติดข้องแล้วเพราะไม่ใช่สมบัติของข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้วแต่ขอดูให้ชื่นชมหน่อยไปใ ห, ใหญ่เลยเนะก็คือว่าสละจริงๆอะ่ะน้อมสละจริงๆทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ ถึงตรงนี้อย่าท่องอย่าท่องอีกต่อไปบอกข้าพเจ้าทำไม่ได้ยอมรับสภาพเลยได้ไห ม, ไมไบอกข้าพเจ้าทำไม่ได้อ่ะฮะเข้าใจคำว่าถวายไห ม, ไมไแปลว่าอะไรไไเพื่อจะได้ไม่ยึดติดว่าเป็นของเราอีกต่อไปแต่ของนั้นยังใช้ได้อยู่ไหม แต่ใช้อย่างระมัดระวังเพราะไม่ใช่ของเราแล้วถวายไปแล้วแล้วจะขายได้ไหมโหเอาใหญ่แล้วนี้จากเริ่มคิดอย่างหนักเลยตนนี้บางคนคิดมาเนี่ยโดยมากนี่นะในพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องปัญญานะท่านสอนเรื่องความเข้าใจนะใช่ไหมสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องความเข้าใจ สอนเรื่องกล้องการที่ว่าวิจัยให้เป็นเพื่อเป้าหมายแก่การที่จะไม่ยึดติดวัตถุชิ้นนั้นฉะนั้นการสละเนี่ยนี่ยังไม่เข้าใจนะเนี่ยแสดงไม่เคยตอมอยู่เอาว่าไงยโยนสุณหวงถามว่าคือคนคือมุมนี้ไงพอพูดว่าสละเนี่ย คนไม่กล้ากันไม่กล้าเหตุผลเดี๋ยวอามาอมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่พึ่งอามาแต่ก่อนก็ไม่ทราบว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้เนะในเรื่องของพระเจ้า<ะ>พระเจ้าตักศิลท่านทรงถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาเนะี่ยอันนี้ก็พอท่านกอบกู้พื้นแผ่นดินมาได้ท่านก็เทาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ที่เขียนไว้ในหลักศิลาจารึกนั้นบอกว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากู้ชาติวัฒศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศสาสนาส ม, มณะพระโคดมใช่ั้ยก็คือถวายกับพุทธยาวพระธรรมประสงค์เรียบร้อยแล้วทีนี้ด้วยความสำนึกตรงนี้ก็คือว่าอยู่ต่อมาท่านเป็นท่านท่านเป็นเชือ้อท่านเป็นคนจีนใช่ไ ในในเมืองจีนเนี่ยโอที่ที่อยู่ในตระกูลที่อยู่เป็นญาติญาติท่านท่านทั้งหลา ย, เ, ยเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยทราบข่าวว่าเออญาติเราได้เป็นพระยบินดินแล้วก็ก็จัดเรือลำใหญ่กันมาหลายสิบลำอบพยพเลยว่าเราจะมาพึ่งมากันเดินทางกันลอมแลมหลายเดือนนี่เนอะนี่มาเสร็จก็ ขึ้นขึ้นฝั่งก็ไปเขาเข้าไปหาบอกจะมาขออยู่อาศัยแล้วท่านก็คงมองเห็นการไกลใช่ไหมเอ็ไม่ได้เรื่องแล้วแบบนี้ยญากจะมาอย่างงี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้แล้วเพราะพื้นแผ่นดินนี้ได้ถวายกับพระศาสดาแล้วพรุทธเจ้าแล้วเอาละสีเนี้ยผลปรากฏก็ญาติก็ผิดหวังทีนี้ไปไปเสร็จท่านก็เออเกื้อกูลหน่อย ก็เลยให้คนจัดไหมาใส่ลำเรือให้บรรทุกกลับไปบอกว่าเอาเอามะกาศดองใส่ไห้ไปว่างั้นได้ไปกินระหว่างทางโกรธมากญาติกลับไปโอ้โหได้ดีลืมพวกเราเลยเนี่ยกอดทีไรก็จับไห้ทุ่มลงน้ําโกรธว่าไรก็จับไห้ทุ่มลงน้ํา นาข้ามันหิวใช่ไหมมันไม่มีอะไรกินก็เลยคว้ากินกินเอ๊ะพอตกลวงใบที่เอาข้างพอไปครึ่งไหกลายเป็นเงนิงนเป็นทองเนี่ยเนีก็เลยโอ้โหเสียดายมากเลยแท้ที่จริงท่านให้ญาติกับทราบบางส่วนนะ่ะให้เพื่อจะได้ไม่ไม่เป็นที่คลาหาเนี่นเองใช่ไหมเป็นที่คราหาเพราะว่าเห็นไหมที่จริงบุญไม่มีก็เลยได้กันไม่กี่อยะไงอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเล่าทีนี้เขาก็เลยพูดกันต่อมาบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นเมืองของพระเจ้าแผ่นดินทุก อ, อนูเนี่ยเป็นของพระสา ม, มาส์ของพรเจ้าเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั้นน่ะเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ยกถวายให้กับพระเจ้าแล้วฉะนั้นว่างั้นใครที่จะมาณประเทศไทยถ้าจะมาทํามาหากินนะพื้นแผ่นดินนี้เป็นพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เขาคิดยังไงนะ อย่ามาทําชั่วในแผ่นดินนี้เด็ดขา ด, ดว่างั้นถ้าอย่างนั้นจะวิบัติเลยว่างั้นเพราะไม่ใช่แผ่นดินธรรมดาแล้วเป็นพื้นแผ่นดินของพระเจ้าไปแล้วเขาก็เลยมีความเชื่อกันอย่างนี้เลยนั้นเวลาเขามากันเสร็จเสร็จคนที่รู้ประวัติ ม, มุมเนี้พอมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยก็ไม่กล้าทําชั่วกันแล้วเพราะคําว่าภาษาจีนเนี่ยพระพุทธเจ้านแปลคือคำไหนหุกใช่ไหมฮุกไหม หกตี ต, กตีนี่แปลว่าแผ่นดินหกตีเนี่ยแปลว่าแผ่นดินของพระพุทธเจ้าเขาเลยบอกหกตีหกตีก็รู้กันเลยอย่างนี้เป็นตน<ม>้นเห็นไหมนี่ถ้าหากว่ามองในลักษณะนี้เราก็จะได้เห็นว่านี่ไงทําไมท่านกล้าถวายแต่เมื่อถวายเบ็ดเสร็จเห็นไหมก็อย่างนี้เกิดขึ้นเพราะผลบุญของพระพุทธเจ้า นั้นใครจะเอาพื้นแผ่นดินไปใช้ไปทําอย่างไรเบ็ดเสร็จตอนที่ท่านสร้างบา ร, รมีท่านก็ให้มาไม่รู้เท่าไหร่เห็นไหมตอนที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สละพื้นแผ่นดินให้เป็นทานไม่รู้กี่อัตภาพท่านปกครองหนะ้าที่ตรงไหนท่านก็ถวายถวายถวายหมดเนะ่ะใครจะเอาไปใช้ใครจะเอาไปนั่นต่างๆบุญเหล่านั้นก็สาเร็จแก่พระบุตริศทั้งสิน้นก็สมมุติว่าเรามีพื้นที่แม้จะน้อยนิดไหมเราได้ถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยโอ้โหเป็นบุญนักหนา เราอย่าไปน้อมถวายบุคคลนี่ถวายสง์นี่ลองคิดดูที่ทุกวันทุกเดือนทุกปีที่ผ่านไปผ่านไปนั้นน่ะที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมสงทั้งหลายที่ใช้ใช้พื้นที่ใช้สถานที่ตรงนั้นน่ะเป็นบุญอย่างมาโหฬารแล้วแล้วอย่างเงี้ยบุญจะเกิดกับพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าหลักสิญญ์อย่างมากมายไหมมากมายคนที่ใช้กันใครที่ใช้กันคนจะไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่ทําไมบาปเกิดขึ้นกับเรา นี่คือความฉลาดและไม่ฉลาดนะอย่าลืมนะความเข้าใจคําสอนและไม่เข้าใจนะนั้นคนเข้าใจคําสอนเขาก็้สลาดด้วยาการแบบนี้แล้วสละเบเส็จท่านก็ยังบริหารบ้านเมืองต่อไหมบริหารต่อแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้สอยต่อไหมเออใช้ต่อแต่คนใช้เป็นก็ไม่บาปคนใช้ไม่เป็นก็บาปไปสิอย่างนี้เป็นต้นพอจะมองเห็นไหมล่ะยางน้อพอจะเข้าใจมุมนี้หรือ ย, ยังแล้วสละได้หรือยังตอนนี้ นี่ไม่เห็นต้องใช้ความพยายามมากเลย<ต>คิดแค่ไม่ถึงสองนาทีก็เข้าใจแล้วมุมเนี้ยใช่ไหมเนี่ยขนาดขนาดยกตัวอย่างตรงนี้คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนยเนี่ยจริงๆเข้าใจไหมเอาขนาดพูดว่าเนี่ยพระเจ้าเป็นดินท่านทำแบบนี้อ่าแล้วเราทำไมไม่ทำอย่างท่านบ้างล่ะบางทีมีที่ไม่กี่ว่าแค่นั้นแหละทำไม่เป็น ทำ ไ, ไมท่านทําเป็นล่ะก็ลองไปคิดดูทีทำไมท่านทํายังไงอย่ามาถ้าคิดไม่ออกก็ให้ท่านมาเข้าหวันหน่อยได้ไหมเพราว่ า, ว า, วาพระ อ, องค์คิดยังไงใช่ไหมก็ไปดูในชื่อนโนดเป็นชื่อใครอยู่เราไปยึดีเอง่ะถวายต่อไปสิแล้วถวายลยกลับไปรีบไปถวายเสียก่อนที่ลงให้ใจจะขาดใช่ไห ถวายในใจอย่าเพิ่งไปบอกใครกลัวเข้ามาขอใช่ไหมอย่าไปถวายไปเถออย่าไยึดเลยทําลายเสียมันเป็นที่ตั้งของความโลภไงทาไมไม่ทําลายซะแล้วความโลภเกิดขึ้นในวัตถุใดในธรรมเยทในทายธรรมใดที่สะสมมานานและโลภภาเนี่ยตามสภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ตัวอยู่นะก็ย่อมบรรเทาความโลภนั้นโดยเร็วแล้วมันถ้างั้นบรรเทาไม่ได้ทําไงเนี่ย เราจะปล่อยความโลภอกิาะกินใจเราอยู่หรือมันเป็นสนิมนะถามว่าสนิมที่กัดเหล็กเหล็กผูมั้ยแล้วตอนเนี้ ส, สนิมคือราคะเนี่ยมันกัดกินใจของเราตอนนี้ใจเราเป็นไงบ้างเนี่ยไม่กล้าจะไม่กล้าจะสละอะไรแล้วเดี๋ยวเนี้ยยึดติดหมดแล้วแล้วมันสละไปสละมาไอ้มันยึดติดไปยึดติดมานาเหล็กมันกร่อนเสียหมดแล้วจนเสียหายหมดแล้วเนี่ยของอะ่ะ ของบางชิ้นเนี่ยย็ดติดจนมันเน่าที่เอามาพูดไงจนมันเสียหมดแล้วก็รีบทําลายซะทําลายโลภะในวัตถุชิ้นนั้นเสียสละเสีทีที่สละให้เป็นนะคําว่าสละในที่เนี้ยสละให้เป็นถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องเอามาใช้สอยต่างๆก็วิจัยใช้ให้เป็นต่อไปก็จะได้สําคัญมั่นหมายว่าเราสละแล้วเราสละแล้ว ไม่รู้มองออกก็บอกมุมเนี้ยคิดเป็นไหมคิดไม่ออกอีกเอาว่าไงมหาเอกอออันนั้ น, ม น, มนไม่การการถวายเป็นพุทธบูชานี่นะ <c oughs> เขาถวายด้วยปัญญาด้วยนะโยมนบไม่ได้ถวายด้วย <c oughs> คื อ, ค, อคือข้อมูลตรงนี้ต้องต้องพัฒนามากกว่า น, นี้นะต้องพัฒนามากกว่า น, นี้ว่ากรณีที่จะน้อมถวายเนี่ยไม่ใช่ถวายแบบโทสะยอมน้อมไม่ใช่แบบทิ้งขยะเนียที่เราลังเกียจมากนะไม่ใช่เนะียของนี้เรารักมากเรารักมากเราห่วงมากเรายึดติดมากเรายินดีมากให้ความเพิดเพลินมากเราจัดเจริญมหาทาน ในใจของเราแล้วที่ยิ่งใหญ่มากแล้วแกะออกยากที่สุดแล้วก็น้อมถึงบุคคลผู้รับคือพระพุทธเจ้าเรารักเราบูชาพระศาสดามากเ พ, พราะพระศาสดาย่่ะทาให้เราเราู้จักบุญจากบาปรู้จักกุศลเนี่กุศลพระศาสดาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีวัตถุชิ้นนี้ที่รักมากที่สุดข้าพเจ้าจักบูชาพระศาสดาด้วยการถวายเป็นพุทธบูชาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าเห็นกรรมและเห็นผลของกรรม ทำไมข้าพเจ้าจึงถวายที่อยู่เป็นเป็นผู้ถว บ, บชาเพราะข้าพเจ้าจะได้มีที่อยู่ใช่ไหมที่มั่นคงที่อยู่ถ้าในนั้นมีอาสนะมีเตียงมีตังแล้วข้าพเจ้าจะถวายเตียงและตังเพื่อข้าพเจ้าจะได้นอนแบบพรัตถาคตแบบไม่ต้องลุกออกมาในสังสารวัตรดีเพราะการลุกขึ้นมาทีไรมันเจ็บปวดในสังสารวัตรนี่ลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องมาโลภมาโกรธมาหลงมามาเจ็บปวดในสังสารวัตรอย่างยาวไกลฉะนั้นการให้ที่ เตียงตังเป็นต้นเหล่านี้เป็นพุทธบูชาขอให้ข้าพเจ้าได้นอนแบบพระตถาคตสถีเธอไม่ต้องลุกขึ้นมาเจ็บปวดในสังสารวัตรอีกในนั้นมีอาสนะข้าพเจ้าให้อาสนะเป็นทานกุศลเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยแก่การที่ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้นั่งณอาสนะใดอาสนะหนึ่งแล้วได้บรรลุธรรมสถีเธอทําลายกิเลสคือราคาโทสาโมหะให้หมดสิ้นในกมลสันดานสถีนี่นะมันมีข้อมูลทุกชุดเลยนะ แต่เราไม่ได้เคยเห็นเหตุเห็นผลตัวนี้ว่าให้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ให้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้ให้สิ่งนี้ได้สิ่งนี้เหตุผลตรงนี้มันไม่ชัดไงที่มาพยายามจะเดินไล่ตามลาดับเนี่ยให้เราได้รู้จักเหตุผลการให้ทุกชิ้นมีเหตุมีผลหมดเลยเข้าใจมาถ้าเราเห็นเหตุเห็นผลอย่างเนี้ยมันจะผ่องใสไหมใจก็ผ่องใสโลภะก็ถูกทาลายนะเพราะเรารู้ไงว่าให้สิ่งนี้ หนึ่เราต้องทำลายโลภะให้ได้ทำเอาโลภะคือความไม่ติดข้องให้เด่น 2. อาโทสะคือความไม่โกรธจิตใจต้องผ่องใสสาอโมหะคือปัญญาประดุดสมาธิถิเป็นดวงประทีบเห็นแสงสว่างในการให้แล้คือเห็นผลยีปรากฏได้มันเห็นเหตุเห็นผลยอมนบนั่งรถตรงนี้จะกลับบ้านมันเห็นบ้านเนี่ยก็ชื่นใจแล้วยังไม่ถึงบ้านนี่เหมือนกันเมื่อประกอบเหตุมันเห็นผลในอนาคต ฉะนั้นเมื่อเห็นหนในอนาคตเนี่ยความสุขใจเกิดขึ้นเข้าใจั้มตรงเนี้ยถ้าเราฟังแล้วจับประเด็นให้ได้นะจับประเด็นให้ได้แล้วมันจะชัดแต่ถ้าเราฟังสักแต่ว่าปล่อยให้เพลินๆไปเนี่ยนะฟังให้ร้อยรอบก็ไม่เข้าใจใช่ไหมการฟังเนี่ยวิธีคิดวิธีอย่างเงี้ยเขาเรียกตอนนี้ปฏิบัติมันดำเนินอยู่นะเพราะการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไห เป็นเรื่องของจิตใจเมื่อจิตใจเรากําลังดําเนินไปคิดไข้ควรไปวิจัยพิจารณาไปเนี่ยเห็นเหตุเห็นผลปัญญามันทํางานแล้วตัวเนี้ยพอปัญญามันทํางานมันจะไปมันจะไปมันไม่ใช่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวอย่างที่พูดเลยเช่นโกรธยึดติดทีก็สละแก้งสละทีแก้งสละ ท, ะทีมันไม่เป็นอย่างนั้นด้วยข้อมูลมันเป็นขบวนการมันเป็นข้อมูลติดต่อเนื่องแล้วเกิดความเข้าใจจริงๆ เมื่อสละเนี่ยมันใช้ได้ในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระเจ้ามันใช้ได้ถามว่าของแม่ของพ่อเนี่ยเรายังใช้ของท่านได้ไหมเอาแล้วนี่เราเป็นบริษัทของพระเจ้าเราไม่ใช้ของพระเจ้าเราไปใช้ของใครแต่เราจะใช้อย่างอย่างสําคัญว่าเป็นของพ่อไหม เออให้เป็นแบบนั้นน่ะให้มีความสำคัญว่าเป็นของพ่อไม่ใช่ของเราใช้แบบจิตสำนึกเห็นคุณของท่านปลอดภัยไหมใช้แบบนี้อย่างนี้ปลอดภัยพอเราจะบริหารแล้วก็บริหารสมบัติของพ่อให้ดีไม่ใช่บริหารด้วยความเครียดด้วยความวิตกกังวลเพราะไม่ใช่ของเราทําสุดความสามารถถ้ามันแก้ไขไม่ได้ก็มันเกินเหตุปัจจัยแล้ว แต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยปล่อยป่าละเลยอันนั้นกลายเป็นความโง่เขลาเนะมันขาดปัญญานะตรงนั้นนะไม่ควรไม่ควรนี่เเพราะสาวกของพระเจ้าบริษัทของพระเจ้าต้องมีปัญญาไหมต้องมีปัญญาใช่ไหมลักษณะอย่างนี้มันจะทำงานบนความโล่งใจบนความอิสระไม่ยึดติดก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยแต่มีปัญญาในการที่จะบริหารงานนั้นให้ดี แล้วในขณะทํางานก็ผ่องใสด้วยไม่เครียดไม่วิตกกังวลเพราะเราทําลายโลภะในทายาทธรรมได้ทําลายโทสะในผู้รับได้ก็ของเนี้ยถ้ามันจะเสียหายไปเอา้าเราถวายพระาษาษาสัตดาแล้วคุณทําความเสียหายก็คุณทําของพระาาสัตดาเสียหายเองกรรมก็ตกกับคุณเนะกรรมชั่วทั้งหลายเหล่าเนี้ยแต่เราก็ทําดีเต็มที่แล้วก็ปกป้องเต็มที่แต่ความสา ม, มารถแก่เนี้ยเต็มที่นะไม่ใช่รอเต็มทีทเต็มทีอย่างเงี้ยเนอะอันนี้ ถ้าเรามองอย่างนี้ก็เอออย่างนี้เกิดความเข้าใจเพราะจะมองออกไหมนี่ไงการการให้ต้องให้บ่อยๆไหมให้ทุกวันได้ไหมก็สีเนะี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาไหมถ้าเราให้สีเป็นทานเนี่ยเห็นนะสมมุตินะเรามองไปที่เสาเนี่ยนะเอา้านี่สีนี่เกิดจากกุศลกรรมนี่แล้วก็จะแล้วก็สละเพราะหันกลับมาใหม่ไปอีกมุมหนึง่งหันมาดูใหม่ใช่สีเดิมไหม สีเดิมก็ดับไปแล้วสีใหม่อีกก็สละอีกครั้งได้ไหมก็มันทำบ่อยๆสละจนโลภะถูกทำลายอ่ะสละจนโลภะถูกทำลายอ่ะนี่เราไม่กล้าสละทุกวันเนี้ยยึดติดว่าของเราของเราอยู่นั่นแหละต้องไปถามสร้อยถามแหวนถามนาฬิกา